วันนี้เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะของการจัดงานเพื่อถวายหลวงพ่อเป็นการปฏิบัติต่อสรีระของหลวงพ่อ <Yeah. S 1> เรียกว่าโปรงสรีระหรือโปรงศพนะมันมีงานที่ยังต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราอีกพอสมควรเท่าที่ประเมินเมื่อวานนี้ก็ทำไปแล้วได้แปดสิบเปอร์เซนยังขาดอีกย0สิบเอร์เซนวันนี้นะก็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 หลวงพ่อคำเขียนเราชอบใช้คํานี้นะให้ปฏิบัติอย่างสุดหัวใจนะนะสุดทัวใจนี่ท่านใช้กับการปฏิบัติน ะ, จะเจริญสตินะแต่วันนี้เราจะทําเพื่อท่านอย่างสุดทัวใจเช่นเดียวกันนะแต่ก็อย่าถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนะทำสุดทัวใจแต่อย่าหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวไปกับ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 ด้วยความกระฉับกระเฉงเร่งรีบแต่ว่าใจนะสงบเย็นเป็นปกติงานบางอย่างเนี่ยเราจะเราต้องเพิ่มสปีดนะอันนี้ไม่รวมถึงการพับกระทงนะพับกระทงทํทำไปเถอะนะไม่ต้องเร่งสปีดเราเพราะยังไงมีจานจานพองานบางอย่างต้องเร่งต้องเพิ่มสปีดนะจะทำแบบรถไฟไทยไม่ได้นะรถไฟไทยนี่เชื่องช้านะ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 นะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่ไม่เมือรถไฟไทยรถไฟไทยนี่ช้าเสียงดังอุกตึกติกอีกต่างหากนะโครมครามโครมครามยอยู่ข้างในวันนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นประหนึ่งนะรถไฟไทยนะแต่ว่าเราต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงนะสำหรับงานบางงานนะก็คือเร็วรีบแต่ว่าไม่รน้นเะย็นเป็นปกติได้ให้ถือว่าเรา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 เหมือนกับเวลาหลวงพ่อท่านปลูกต้นไม้เวลาท่านทำงานนะท่านก็ทำนะด้วยใจที่สงบมั่นคงแม้แต่เวลาท่านเดินนะก็ไม่มีอาการลุกลือลุกหลนแต่บางครั้งท่านก็รีบนะแต่ว่าไม่เคยหล่นเราอาจจะทำไม่ได้อย่างท่านแต่ว่าก็ให้ใกล้เคียงนะแล้วก็โอกาสที่ควรจะทำอย่างนั้นเนี่ย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 ชาวโลกเขาหมายถึงการทุ่มเทนะเต็มที่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใจอาจจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเต็มที่หรือตื่นรู้ก็ได้นะเพราะนั้นเขาเลยทำไปก็ทุกไปทำไปก็ทุกไปทำไปก็เครียดไปใจเต็มร้อยแบบนั้นนะ่ยยังไม่ยังยังไม่เรียกว่าเต็มเต็มร้อยนะมันต้องเต็มร้อยในความหมายที่ใจอยู่กับปัจจุบันหรือว่าใส่ใจเข้าไปเต็มร้อยกับกับปัจจุบันขณะด้วยให้เราเข้าใจนะ